ปฏิบัติธรรมและเบื่องานไม่อยากทำงานถือว่าปฏิบัติผิดอะไรไหมการปฏิบัติธรรมที่ถือว่าถูกคือมีสติดีขึ้นพ้นทุกทางใจได้บ้างมีสติดีมากพ้นทุกทางใจได้เยอะและที่สุดคือมีสติเป็นปกติพ้นทุกทางใจได้เด็ดขาด อีกประการหนึ่งคือสติมีหลายระดับสติระดับเล็กรู้ตัวว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นเช่นกําลังหายใจเข้าหรือออกสติระดับกลางรู้ตัวว่าตัวไหนๆก็ไม่เที่ยงเช่นนิ่งรู้พอจะเห็นลมหายใจไม่เท่าเดิมสติระดับใหญ่รู้ตัวว่า ชีวิตมาถึงไหนเช่นรู้สึกว่ากายใจเป็นอนัตตาถึงเวลาอนาัตตาก้อนนี้ควรไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสมเพื่อบ่มตัวให้สุขงมเบ่งบานออกสู่ความเป็นที่สุดทุกข์หรื อ, อยังการเบื่องานไม่อยากทำงานมักเป็นผลของการมีสติดีขึ้นบ้างมีความสุขมีความไม่ว้าวุ่นใจบ้าง ได้ออกไปอยู่ในที่ที่สงบพาสุขบ้างกระทั่งไม่อยากกลับสู่เหตุให้ฟุ้งซ่านไม่อยากกลับไปอยู่ในที่ที่มีแต่คนตีกันอันนั้นเป็นเพียงสติระดับเล็กแค่รู้ว่าชอบอย่างที่เบาที่สบายหายห่วงแต่ยังไปไม่ถึงแม้แต่สติระดับกลางยังไม่รู้ว่าที่เบานั้นเบาชั่วคราวที่สบายนั้นสบายเดียวเดียว จริงๆคือติดใจความเบาสบายอยากเบาสบายตลอดไปไม่รู้ตัวว่ายังอยากโน่นอยากนี่อันเป็นเหตุให้เบาสบายไม่ได้จริงอยู่พูดง่ายๆปฏิบัติธรรมนิดๆหน่อยๆแล้วบอกว่าเบื่องานไม่อยากทำงานอยากเข้าวัดอยากบวชตลอดชีวิตเป็นเพียงความเข้าใจผิดในช่วงเริ่มต้นหลักฐานชัดคือเบื่องานแต่ไม่เบื่อเล่น ไม่อยากทำงานแต่ยังอยากได้เงินเพิ่มปากบอกว่าอยากปฏิบัติธรรมแต่โตอยู่ในท่านอนนานกว่าท่านั่งท่าเดินปากบอกว่าไม่อยากเป็นทุกข์แต่ใจขยันจดจ่ออยู่กับเรื่องของคนอื่นหรือเรื่องของคนอื่นมาว่าอะไรชันบ้างเมื่อมีสติระดับกลางใจเย็นพอจะเห็นความไม่เที่ยง แม้แต่อารมณ์เบื่อก็ไม่เที่ยงแม้แต่ความอยากบวชก็ไม่เที่ยงรู้ว่าความจดจ่อการงานก็เป็นเหตุให้เกิดสติได้รู้ว่าการแก้ปัญหาการมีปากเสียงก็เป็นแบบฝึกหัดให้สติพัฒนาขึ้นได้ในที่สุดผ่านเดือนผ่านปีจะเกิดสติระดับใหญ่รู้ตัวเองว่าถึงเวลาจริงหรือถึงเวลาหลอก การตัดสินใจหยุดงานแบบโลกๆจะไม่ใช่เพียงความรู้สึกเบื่อๆอยากๆเพราะความเบื่อจะไม่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจแล้วก็ไม่อยากได้อยากมีใดๆให้วันไหวอีกจริงๆ